ธรรมบทแปลเรื่องที่108เรื่องภิกษุฉัพพคีภาคที่หเรื่องที่สองของวัคที่ส0ท่านทวักวันนาข้อความเบื้องต้นประศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจดวันทรงปราบร พ, พวกภิกษุฉัพพคีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัเบตสันติเป็นต้นตอน เหตุให้ทรงบัญญัติตะละสัติกสิกขาบทความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพวกภิกษุชัพพคีเงิดเงื้อห่อคือฝ่ามือแก่พวกภิกษุสัตตรัสสะพคีเหล่านั้นโดยเหตุที่พวกตนประหารพวกสัตตรัสสะพคีในสิกขาบทก่อนนั้นนั่นแลแม้ในเรื่องนี้พระศาสดาทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ก็ตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจำเดิมแต่นี้ไปธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนี้ภิกษุใดททำภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติชื่นี้ดังนี้แล้วทรงบัญญัติตลสัสสติกะสิกขาบทตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุทราบว่าแม้สัตว์เหล่าอื่นย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญาอย่างเดียวกับเราเหมือนกันอันหนึ่งชีวิตก็ย่อมเป็นเทียรักของสัตว์เหล่านั้นเหมือนของเราโดยแท้ไม่ควรประหารเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่นทั้งนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า สับเบตาสันติดัณสสะสับเบสังชีวิตตั้งปียังอั ต, ตานังอุปมังกตะวานะหเนยยะนาคาตะเยติสัตว์ทั้งหมดย่อมหวัดหวันต่ออาชยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์นั้นหมดบุคคลควรทําตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่าสัพเบสรางชีวิตังปียังความว่าชีวิตยอมเป็นที่รักยิ่งของเหล่าสัตว์ที่เหลือเว้นพระกีณาศพเสียอันพระกีณาศพยอมเป็นผู้วางเฉยในชีวิตหรือในมรณะโดยแท้คำที่เหลือเช่นกับคำอันมีในก่อนนั่นแลในการจบเทศนา ชวนเป็นนั้นมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นทั้งนี้แลเรื่องภิกษุชพคีจบ